เรื่องโจรผู้ลักทรัพย์ที่ขอดปมไว้ที่ชายผ้าครั้งหนึ่งเมื่อพระศัสดาเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรบโจรผู้ลักทรัพย์ทําลายปมที่ขอดไว้ที่ชายผ้าได้ยินว่าครั้งหนึ่งมีโจรสองคนเป็นสหายกันไปสู่พระเชตวันกับมหาโจรที่ไปฟังธรรม โจรคนหนึ่งตั้งใจฟังธรรมกาถาแล้วอีกคนหนึ่งสอดสายมองดูของที่ควรถือเอาโจรผู้ฟังธรรมอยู่บรรลุโสดาปฏิผลแล้วอีกคนหนึ่งได้ซับห้ามาศที่ขอดไว้ที่ชายผ้าของอุบาศกคนหนึ่งส่วนโจรผู้ฟังธรรมไม่อาจกระทําได้โจรผู้ได้ซับกับพัญญาของเขาได้เย้ยหยันโจรผู้โสดาบานว่า ท่านไม่ยังแม้ค่าอาหารให้สำเร็จในเรือนของตนเพราะความที่เป็นคนฉลาดเกินไปสหายโสดาบันพลางคิดว่าเจ้าคนนี้สำคัญตนว่าฉลาดเป็นบัณฑิตด้วยความเป็นผานทีเดียวหน้อเพื่อจะกราบทูลความเป็นไปนั้นแก่พระศาสดาจึงไปสู่พระเชตวันกับญาติทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาเมื่อแสดงธรรมแก่เขาจึงตรัสพระคถ า, าว่า บุคคลใดโง่สําคัญตนว่าเป็นคนโง่คนผู้นั้นย่อมเป็นบัณฑิตคือฉลาดได้บ้างส่วนคนโง่สําคัญตนว่าเป็นบัณฑิตบุคคลนั้นแลเรียกว่าโง่แท้คนที่รู้ตัวว่าเป็นคนโง่แล้วคบบัณฑิตฟังธรรมจากบัณฑิตปฏิบัติธรรมตามคําสอนของบัณฑิตย่อมเป็นบัณฑิตหรือยิ่งกว่าบัณฑิต แต่คนโง่อยู่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดว่าตนเป็นบัณฑิตฝ่ายเดียวคนอื่นใครเล่าจะเป็นปหูสูรเช่นกับเราแล้วไม่เข้าหาไม่เข้าใกล้ผู้เป็นบัณฑิตยอมไม่ได้เรียนปริยัตเลยยอมไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยยอมถึงความโง่ด้วยส่วนเดียวแท้บุคคลผู้นั้นย่อมเหมือนโจรทำลายปมรักทรัพย์ที่ขอดไว้ที่ชายพกผ้าฉะนั้น ในการจบเทศนามาหาชนพร้อมได้ญาติทั้งหลายของโจนผู้โสดาบันได้บรรลุโสดาบันแล้วดังนี้แหละ